อัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งพระพุทธดรรรัตที่ทรงแสดงแก่ท่านโมคราชมโน์นั้นเห็นได้ว่าทรงมุ่งผลสูงสุดที่จะให้ผู้ปฏิบัติสามารถถ่ายถอนความยึดติด ด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนจุดึงออกมาเป็นเราเป็นเขาออกไปจากจิตใจได้แก่ความรู้แจ้งในสังขารธรรมทั้งหลายตามความจริงแต่บนขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัตินั้นการที่บุคคลจะเห็นไตรลักษณ์ตามความจริงจนสามารถผ่อนคลายลดละบรรเทา ความยึดติดด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิลงไปได้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆเพราะโดยพื้นฐานใจิตใจของบุคคลจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาหยาบบ้างกลางบ้างรุนแรงบ้างที่เป็นเราเป็นเขาในลักษณะรุนแรงก็ออกมาในรูปของการล่างปรานประตุษรายกันจนกลายเป็นสงครามเป็นเราเป็นเขาในขนาดกลาง ก็มีการทะเลาะวิวาทกันมีการสนีการขวงไม่มีความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้าเป็นเราเป็นเขาขนาดที่ประณีดขึ้นมาหน่อย mm. ก็จะมีความอึดเฟือ้อมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันได้ตามสมควรมีปัญหาจะทะเลาะวิวาทกันก็สามารถสงบจับยางกันได้ลักษณะความคิดเอาใจเรามาขัดใส่ใจเขาหรือใจเราใจเขา ดั้นเมื่อเดินขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่จะพยายามลดละความรู้สึกเป็นทั้งเราทั้งเขาและไม่เป็นแม้แต่เราแต่เขาซึ่งเป็นความจริงที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการฝึกปลืออบรมบ่มนิสัยตัวเองมาโดยลำดับผ่านความสงบในด้านสมาธิมาโดยมีพื้นฐานทางบารมีสนับสนุนมากพอสมควร ในขณะเดียวกันก็จะต้องเจริญวิปัสนาพยายามพิจารณาสัตว์ในสังขารทั้งหลายในแง่ของความจริงที่แท้จริงอยู่บ่อยๆเสาะแสเสมอจนค่อยๆเกิดความรู้ความเห็นเรงความจริงเหล่านั้นไปโดยลำดับซึ่งที่จริงแล้วจะเริ่มจากจุดไหนก็ได้จากอ น, นิจจังก็ได้ทุกครั้งก็ได้อนาตา ก, ก็ได้เ้นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ต่อไปก็จะเห็นในส่วนอื่นๆโดยตํานองเดียวกันตอนนั้นใจรักแต่ละข้อสามารถที่จะเป็นมรรคคือหลักการดำเนินรธริตปฏิบัติให้บุคคลบรรลุมรรคผลสูงสุดได้แต่ระดับที่ลดหลั่นลงมาคือทายถอนผ่อนคลายความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาให้จางลงไปจนมีความเป็นเรากับพวกของเราเพื่อนของเรา เพืนร่วมเกิดร่วมทุกข์ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายของเราซึงความรู้สึกเหล่านี้ดูแลคล้ายๆจะทําได้ง่ายแต่จริงๆแล้วทําได้ยากเหมือนกันแต่นั้นระดับศีลธรรมจัญญาท่านจึงเน้นไปในจุดนี้มากเป็นพิเศษในโลกแห่งความเป็นเราเป็นเขานั้นก็พยายามสอนให้รู้สึกเป็นพวกเราเป็นเราก็เป็นพวกเราเพื่อสร้างเอกภาพความเป็นหนึ่งกันเดียวกันให้เกิดขึ้น ถึงก้อนนี้เพื่สังเกตว่าจุดเล็กๆในชีวิตของบุคคลคือภายในครอบครัวแต่บุคคลมีความรู้สึกอยากเป็นเราเป็นเขาเป็นแต่พวกของเราคือครอบครัวของเราพี่น้องของเราสามีพันยาของเราก็จะมีความเอื้ออาทรต่อกันมีความห่วงใยมีการอดกลั้นมีการอดออมมีการอดทนระหว่างกันและกันสามารถประนีประนอมกัน สร้างความรักความสามคัคคีการไม่ทะเลาะวิวาทะบังเกิดขึ้นการคลองเรือนก็จะกลายเป็นการครองสุขขึ้นมาได้แต่พอถึงชั้นของความรู้สึกที่จะกร ะ, กระจายออกไปมากกว่านั้นก็สอนในแนวที่ให้สร้างสร้างความรู้สึกขาจาัดความเป็นเขาออกไปให้อยู่ที่ความเป็นเราก่อนแล้วก็เดินไปสู่ความไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั้นความรู้สึกเป็นเราจะเห็นได้ว่า จนในกรณีที่ทรงสอนให้แผ่เมตตาจิตตามแนวของพรหมิหารทั้งสี่ประการนั้นบุคคลจะต้องมีความรู้สึกว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกับเรามาแต่จริงขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่จ่รีบไปจนถึงขนาดนั้นเพราะขนาดนั้นถ้าจะสาธยายด้วยปากมันก็ว่าได้ แต่จะให้ถึงจิตใจจริงๆคือมีความรู้สึกไม่เป็นเราเป็นเขาจริงๆนั้นทำได้ยากดังนั้นจึงทรงสอนในแนวที่ให้เจาะจงจากวงแคบๆไปก่อนให้เรียนรู้ความจริงจากวงแคบๆไปที่เรียกว่าโอทิสะปรณาคือแผ่เจาะจงไปเจนตองการให้บุคคลที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายของเราดารงชีวิตอยู่ ยังไม่มีเวรไม่มีภัไม่เบียดเปียนกันไม่ประตุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนและจากนั้นก็กระจายไปในคนที่เรารักคุ้นเคยสนิทสนมไปโดยํำดับเห็นว่าจิตใจสามารถสร้างความรู้สึกเช่นนั้นได้ก็ให้กระจายออกไปกว้างขึ้นกว่านั้นคือในทิศใดทิศหนึ่งซึ่งก็มีคนปะปนอยู่ทั้งเป็นญาติมิตร ญาติมิตรสหายของเราบ้างคนที่เป็นกลางๆบ้างและอาจจะมีคนที่เป็นศัตรูกับเราอยู่ด้วยในทิศนั้นๆอาจจะเริ่มไปทิศใดทิศหนึ่งก่อนเมื่อสร้างความรู้สึกในลักษณะที่ปะปนคือคนปะปนกันอยู่ในทิศนั้นได้สัตว์ปะปนกันอยู่ในทิศนั้นได้ก็ให้กระจายออกไปโดยลําดับจนทิศตะวันออกไปทิศเหนือไปทิศตะวันตกไปทิศใต้คือกระจายออกไปโดยลาดับ แในที่สุดก็ให้กระจายออกไปในรูปทิศทั้งปวงที่ท่านเรียกว่าอนุทิศปรณาคือแผ่โดยไม่เจาะจงใครแล้ว ก, กลายเป็นความรู้สึกในแนวที่เรียกว่าสเปสัตาการแผ่ในแนวระดับภูมวิหารนั้นเพึงสังเกตว่ายังมีความเป็นเราอยู่แต่กระจัดความเป็นเขาออกไปหมายความว่าจิตใจก็มีความประนีตขึ้นสงบขึ้นสูงขึ้นความรู้สึกในทํานองแบ่งแยกก็เบาบางลงไปโดยดั่งดับ ดันั้นพรมิหารจึงเป็นระดับของสมถะกรรมฐานที่อาศัยการทําทใจของบุคคลให้สงบจากกิเลสเป็นเครื่องเศร้มองใจในระดับหนึ่งให้จากนั้นจึงใช้ฐานที่มีความสงบตั้งมั่นของใจนั่นเองเป็นหลักในการพิจารณาเทียบเคียงถึงความจริงของชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้ว ไม่มีทั้งความเป็นเราทั้งความเป็นเขาหรือความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นพวกเราพวกเขาเพื่อจะให้อยู่โดยไม่มีความยึดความถือในสัตว์ในสังขารเพราะอะไรในความเป็นเขาก็ก่อให้เกิดเป็นปฏิฆะี่เรียกว่าโทมนัตอภิชาโทมนัตที่ทรงเน้นอยู่บ่อยความเป็นเขาก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจไม่ยินดีในเขา พอถึงความเป็นเราก็ก่อให้เกิดอภิชาคือความกำนัดความเพลิดเพลินความผูกพันความเกี่ยวเกาะในอารมณ์เหล่านั้นเพราะทั้งเราทั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสออกไปจากใจได้ในชั้นของวิปัสสนาจึงมุ่งขจัดทั้งความเป็นเราเป็นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในตัวของอนัตตาเรียกว่าอนัตตะสัญญาคือการมองให้เห็นทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดังนั้นในชั้นนี้ เมื่อนำมาใช้ในชีวิตประจําวันเราสามารถใช้ในระดับหนึ่งที่เรียกว่ามองให้เห็นความจริงสองด้านด้านความจริงในแง่สมมุติพยายามตัดความเป็นข่าวไว้น้อยลงมีความเป็นเราเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราตลอดถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกับเราดังกล่าวแล้วให้มากยิ่งขึ้นบุคคลทั้งปวงก็จะกลายเป็นมิตรสนิทสนม ไม่มีความรู้สึกที่สร้างความโกรธความไม่ยินดีความแตกแยกให้บังเกิดขึ้นได้ออย่างน้อยก็ลดลงไปพอมาถึงชั้นหนึ่งก็พยายามที่จะให้เป็นเราเป็นพวกเราสูงขึ้นเพื่อสามารถจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอปปามารีกันได้สงเคราะห์นุเคราะกันได้เป็นมิตรสนิทสนมกันมองไาในทิศใดก็ไม่เห็นมีศัตรูทิศนั้นก็สบายตาสบายหูของเรา ได้เห็นรูปหรือฟังเสียงรความสุขความสงบในชัดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ให้พยายามเตรียมใจยอมรับความจริงที่แท้จริงว่าที่จริงมันว่างอย่างที่ทรงสอนให้ท่านโมกราชมองโลกในแง่เป็นของว่างหรือว่างจากตนและว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเพราะอะไรเพราะตนเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรม ต้นก็เป็นที่เกาะเป็นที่ประชุมของขันของธาตุของอายตนะคของอินทรีย์เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองง่ายๆก็เป็นที่ประชุมของธาตุเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศแล้วก็เป็นวิญญาณิธาตุไอ้พวกดินน้ําลมไฟเองก็เกิดขึ้นมาจากปัจจัยต่างๆเข้ามาเกาะกลุ่มประชุมกันแล้วเมื่อแยกจ่อยออกไปทั้งดินน้ําลมไฟอากาศมันก็กลายเป็นอนุเป็นปรมาณูไปหาความเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไม่ได้ ตอนนั้นเมื่อทำใจให้ยอมรับสักครึ่งสักกึ่งหนึ่งอย่างน้อยที่สุดในแง่ที่เป็นรูปธรรมหยาบๆที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลโดยความเป็นเราเป็นเขาก็จะลดน้อยลงไปจะในกรณีของการพลัดพรากการสูญเสียความแตกสลายหรือความหายไปของวิชนคนนั้นเป็นที่รักของตน ตามปกติแล้วจะเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่ไรร่ำพันธ์ความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจในชีวิตของบุคคลที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เพราะเหตุแห่งความยึดความถือในช่วงของสมมติสัจจะก็มียึดมีถืออยู่พอสมควรแต่เป็นการยึดถือด้วยปัญญาเป็นการจับเกาะด้วยปัญญาใกล้ายๆกับว่าเราจะไปในที่ไหนจะทําอะไรหรือจะเดินไปในที่ใดก็ตาม เดินไปด้วยปัญญากระทาไปด้วยปัญญามีการเตรียมใจเตรียมกายเอาไว้คล้ายๆกับเดินสะพานไม้ท่อนเดียวใจมันก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าเราอาจจะถึงฝั่งโน้นก็ได้หรืออาจจะตกไปก็ได้เดินไปก็มีละะักษณะห้5สบห้าสิบระวังตกลงไปหรือกับเดินไปสู่จุดหมายปลายทางจะทำให้เกิดการระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะ เพื่อไม่ให้ตนเองต้องตกลงไปนี้สมมติว่าเกิดพรัพร้งพลาดตกตกลงไปก็จะตกอย่างมีหลักมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่เกาะเอาไว้ไม่ถึงกับตกในลักษณะทุ่มตัวลงไปอันตรายก็คงจะมีแต่ก็น้อยลงหน่อยเรื่องการศึกษาปฏิบัติธรรมะตามที่ทรงแสดงไว้ระดับวิปัสสนาก็เป็นเช่นเดียวกันการสัมผัสจุดสุดยอดนั้นเป็นเรื่องทางไกลเป็นเป้าหมาย แต่ควรจะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของตนคือเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามก็เตรียมใจยอมรับไว้อย่างหนึ่งว่าในแง่ความสมมติก็ต้องอยู่ต้องใช้ต้องเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลกษัตริย์เท่านั้นแต่ว่าคนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นจากความไม่มีมาสู่ความมีจากความมีจะกลับไปสู่ความไม่มีแม้เราเองก็จากความไม่มีมาสู่ความมีจากความไม่มีก็จากความมีก็จะไปสู่ความไม่มีเช่นเดียวกับสัตว์สังขารทั้งหลายเหมือนกัน วในขณะมีท่านแสดงบอกว่าลักษณะของอนัตตนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราหรือเราไม่เป็นเจ้าของที่แท้จริงการได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราได้ก็เป็นการบังคับบัญชาได้ชั่วขณะหนึ่งช่ครู่นหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลเพิ่มภูนคุณธรรมขึ้นไปภายในใจในสิ่งที่จะควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นั้น ก็จะบังคับบัญชาได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุดจิตใจของตัวเองพฤติกรรมของตัวเองก็จะไม่เป็นไปตามอำนาจของอารมณ์ของกิเลสมากเกินไปเวลากุศลบังเกิดขึ้นภายในใจก็รู้ว่าสิ่งนี้ที่จริงเราก็บังคับควบคุมแก่ไม่ได้โดยสิ้นเชิงนอกจากว่าจะตัดแก่ให้หมดไปแต่เมื่อในช้ความเพียรพยายมสติสมัมปชัญญะลงไปก็พยายามพวกพิจารณา ถึงสิ่งเหล่านั้นให้เห็นประจักษ์แก่ใจของตัวเองในแง่ของโทษก็มองให้เห็นประจกักษ์ชัดว่าเป็นโทษในแง่ของคุณก็มองให้เห็นประจกักษ์ชัดว่าเป็นคุณแล้วยามที่จะป้องกันพยายามที่จะละสิ่งที่เป็นโทษออกไปจากจิตใจของตนพยายามที่จะควบคุมรักษาเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นคุณเอาไว้ภายในใจตามแนวที่ทรงแสดงไว้ในจิตานุปัสสนานั่นเอง จิตตาอุปัสนาสติปัฏฐานเองที่ทรงสอนให้ดูจิตในแต่ละขณะว่าพูดง่ายว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่แบ่งออกไปเป็นแปดคู่เป็นสิบหกองธรรมก็ตามแต่การโดยสรุปก็คือให้ดูสภาพจิตในแต่ละขณะว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสปรากฏขึ้นก็เพียนพยายามละถ้ามีกุศลมีความสุขความสงบปรากฏปรากฏขึ้นก็เพียนพยายามคุ้มครองรักษาไว้ คนพอมาถึงเรื่องราวในที่เป็นวัตถุรูปธรรมก็มีลักษณะเดียวกันสิ่งอะไรที่เป็นโทษโดยสภาพของมันก็พยายามหลีกเว้นถอยห่างออกไปหรือใช้ปัญญาขบเจาะแสวงหาประโยชน์จากสิ่งนั้นระดับของวิปัสสนาที่เรียกว่าปัญญาเห็นรู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านั้น ถ้าไม่ได่นเน้นไปที่สิ่งนั้นเป็นอะไรมากนะักแต่เน้นไปที่เราสามารถใช้ปัญญาหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่เพราะถ้าระดับวิปัสสนาแล้วแม้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นโทษแก่บุคคลรู้ทั่วไปแต่ถ้ามองจากสายของวิปัสสนาคือปัญญาเห็นประจักแล้วเราก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างที่ วิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันพยายามสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นเอาพิษจากงูมาทําเป็นเซรุ่มเป็นต้นนั้นก็แสดงเห็นว่างูโดยสภาพก็มีพิษพิษงูก็ทําให้คนตายได้แต่พอผู้มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิษของงูก็สามารถนําพิษของงูนั้นมาใชใ้เกิดเป็นประโยชน์ได้สิ่งทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะอย่างนั้นพอถ้ามองในแนววิปัสสนาแล้วความสําคัญเกี่ยวกับว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร มีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งนั้นเรามองสิ่งนั้นเราคิดสิ่งนั้นอย่างไรถ้าเราคิดได้อย่างลึกซึ้งแม้แต่คาําด่าก็หาประโยชน์ได้ความตายความรัดพรากร่างกายที่เปลื่อยเน่าผุพังเป็นต้นซึ่งเป็นที่รังเกียจขยะขแขยงของบุคคลทั้งหลายหรือเป็นที่ตั้งแห่งความหวาดกลัวของบุคคลทั้งหลายถึงไม่ใช่ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ อย่างน้อยในชั้นที่เสียมกายเสียมใจให้เผชิญกับความจริงซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของตนส่วนจะเกิดขึ้นเมื่อไรานั้นเรากําหนดไม่ได้แต่ช่วงที่ยังไม่เกิดก็จะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นใช้ชีวิตของตนเองไปด้วยความไม่ประมาทพยายามระมัดระวังควบคุมจำนวนความแก่เป็นธรรมดาก็พยายามให้แก่น้อยลงหรือบางทีร่างกายแก่แกไปก็ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง หรือว่าให้แกในรูปของทานของศีลของภาวนาเพิ่มพูนความดีขึ้นไปืนส่วนร่างกายแกบกพร่องแกเสื่อมทรามลงไปก็พยายามพัฒนาจิจจตใจของตนเองให้สูงขึ้นเป็นต้นก็จะก่อให้เกิดผลเป็นความเจริญงอกงามในด้านความดีเพราะร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถบังคับอย่างสิ้นเชิงว่าอยากแกอยาเจ็บอยาตายอย่างที่ทรงแสดงไว้สมบุรสมบูรณ์ทั่วไปพิจารณาว่า บุคคลไม่อาจที่จะตั้งความปรารถนาถึงชีวิตที่เกิดมาซึ่งมีความแก่เป็นธรรมดาไว้ขอเราอย่าได้แก่มีความเจ็บเป็นเป็นธรรมดาว่าขออย่าได้เจ็บมีความตายเป็นธรรมดาว่าขออย่าได้ตายหรือขอเราอย่าต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายตั้งปวงไปนี่ไม่มีใครสามารถไปตั้งความปรารถนาอย่างนั้นได้ประพืติคติของธรรมดาดังนั้นเมื่อไปฝ่าผืนจริงๆไม่ได้ก็ใช้ในรูปของลักษณะชะลอหรือเพิ่มส่วนหนึ่ง นในกรณีก็ร่างกายจำรูปสุดทรมไปเราแก้ไขไม่ได้เราก็มาเพิ่มพูมในส่วนคุณธรรมความดีขึ้นข้อนี้ผู้สังเกตว่าอย่างรูปแบบของพระสงฆ์ก็ดีในรูปของอุบาสกอุบาสิกาก็ดีแต่ที่จริงมาเริ่มต้นมาจากประกาศตนถึงพระรัตนตรัยนะเราถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วแต่ด้นที่จริงเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะก้าวเดินต่อไปสู่ความสมบูรณ์แห่งความเป็นอุบาสกอุบาสิกาพอถึงขั้นหนึ่งเราก็ทรงแสดงคุณธรรมสำหรับ อ, อุบาสกอุบาสิกาเอาไว้ว่าจ้องต้องเป็นผู้มีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลไม่เชื่อกดแ่งกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่สแสวงหาเกตบุญนอกพระพุทธศาสนาสแสวงหาเกศบุญในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเดินมาครึ่งทางในระยะนย แต่ต่อไปนั้นจะมีความมั่นคงในตัวของตัวเองคือความศรัทธานั่นเองก็จะเพิ่มพูนในลักษณะกระจายออกไปกลายเป็นศรัทธาที่ท่านใช้คำาลี ว, าว่าอจฉะศรัทธาคือมั่นคงไม่หวั่นไหวมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในไตรลิข์ข้าพ้นจากความเชื่อมั่นเหล่านั้นจะทําให้จิตใจของตนผ่องใสขึ้ แต่จากจุดนี้เองก็จะสามารถสลัดสิ่งที่ทรงใช้คําว่าตะปูตรึงจิตของบุคคลออกไปครบทั้ง5ประการได้คือใจิตใจจะไม่อ่อนไหวไปด้วยอำนาจของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธหรืออจะสรุปรวมเป็นรูปของความรักความชังออกไปได้สิ่งทั้ง5ประการนี้คือการเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ในใจสิขาและความโกรธนั้นทรงใช้คําว่าตะปูตรึงจิตของบุคคล จะทำให้บุคคลไม่สามารถก้าวหน้าและพัฒนาไปในด้านต่างๆได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมีความขุดมัวไปด้วยความโกรธแต่แต่เมื่อบุคคลสามารถถ่ายถอนออกไปได้ความศรัทธาความเลื่อมใสนั้นจะทําจิตใจของตนเองให้ผ่องใสก็ก้าวเดินไปอีกระยะหนึ่งพอมาถึงพระก็สงใชัยในลักษณะอย่างเดียวกันจะแบ่งออกเป็นสามช่วง ตามวยความเจริญพัฒนาการในด้านต่างๆของพระในตอนแรกๆสงชยัยคำว่านาวกะแปลว่าผู้ใหม่คือยังใหม่ต่อพระธรรมปีนาอย่างใหม่ต่อศีลการประพฤติปฏิบัติต่างๆอาจจะมีความผิดพลาดบุกพร่องในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติจึงมีหลักการควบคุมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ดูแลเจ ใ, ใส่พอถึงช่วงหนึ่งท่านเรียกว่ามัชชิมะคือ เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยู่ในช่วงกลางที่จะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสูงขึ้นพอช่วงหนึ่งก็เป็นเทระคือมีความมั่นคงหนักแน่นขึ้นเดี๋ยวก็บวชมาสิปีแล้วก็ควรจะมั่นคงหนักแน่นขึ้นพสอสมควรแต่ปรรษาเลยยี่สปีไปก็เรียวกว่ามหาเทระเกิดแสดงว่าความมั่นคงหนักแน่นนั้นสูงขึ้นมั่นคงในหลักการประพฤติปฏิบัติมั่นคงในด้านจิตใจมั่นคงอยู่ในพระศาสนามั่นคงในสภาวะทางอารมณ์เป็นต้น นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเนืทวนของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปชำรุดสุดทรมไปตามกติธรรมดาของสังขารทั้งหลายแต่บุคคลก็ชดเชยโดยการเพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นที่จิตเพราะจิตนั้นสามารถที่จะทำให้จเจริญเติบโตได้แล้วก็เข้มแข็งอยู่ได้ตลอดไปแม้ร่างกายจะอ่อนเพลี ย, รยแรงอ่อนแอแต่เราก็เพิ่มพูนพลังจิตให้เข้มแข็งและเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ไม่ปล่อยให้จิตแกไปแก่ตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมดาตามความเปลี่ยนแปลงแบบสังขารแต่ให้แก่ด้วยแต่สายของชาวบ้านก็เรียกว่าแก่ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแต่สายพระก็แก่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้บุคคลได้ประสบสาระแก่นสารของชีวิตแต่นี้ในส่วนของรูปธรรมจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ก็คล้ายๆกับจับของหรือเดินอย่างที่กล่าวแล้วคืออาจจะลนก็ได้อาจจะอยู่ในมือเราก็ได้แต่วันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยต้องวางจนได้เรา จ, จับยึดไว้ตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะที่จริงถ้าจับยึดอยู่ตลอดไปมันก็เกิดเกร็งเกิดเครียดเกิดกับเราอุ้มของเอาไว้มันก็กลายเป็นของหนักอันถึงคราวหนึ่งก็ต้องวางเพรา ะ, ะนั้นช่วงยึดก็ยึดแต่ช่วงวางก็วางอย่างสัตว์สังขารทั้งหลายนั้นเราจะเห็นว่าที่พระเจ้าทรงสอนให้สอนให้วางตรงไห น, น วางในช่วงที่มันแก่อายุขนาดนี้แล้วถ้าไม่แก่มันก็แปลกเพราะงั้นเมื่อถึงแก่ก็ต้องปรงให้ตกว่าเป็นกติของธรรมดาแห่งชีวิตในเรื่องของความตายก็ส่งสอนให้วางคือไปอุ้มเอาไว้ไม่ได้ว่าให้เป็นให้อยู่ให้มีนั้นเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ควาเป็นกติของธรรมดาก็วางเป็นการปรงใจยอมรับว่านั้นคือกติของธรรมดา ในชั้นของศีลธรรมจัร ญ, ญาคือหลักการประพฤติปฏิบัติในรูปในเรื่องของชีวิตการครองเรือนก็ทรงสอนหลักที่เรียกว่าทักษินาโนปาทานอะไรที่เราทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้อย่าไปทำนี่หลักประการหนึ่งถึงถือว่าเป็นหลักสําคัญมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในไกรยัคไกรยสูตรว่าคือกล่าวโดยสรุปว่าสิ่งที่พระองค์สอนนั้นคือสิ่งที่บุคคลทําได้แต่ว่าทาไม่ได้พระองค์ก็จะไม่สอน และสิ่งอะไรที่ทําให้ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้อย่าในกรณีของการบังคับไม่ให้เราแก่ไม่ให้เจ็บไม่้ตายไม่พลัดพลาดไม่สูญเสียนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คือบังคับไม่ได้ก็บอกว่าบังคับไม่ได้หรือให้ใช้เท่าที่บังคับไม่ได้หาประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นในขณะที่มีอยู่เป็นอยู่หรือบางครั้งที่ทรงอุปมาเหมือนของยืมบางครั้งอุปมาเหมือนสิ่งที่เราได้เรามีเราเพลิดเพลินอยู่ในความฝันพอเราตื่นขึ้นมาสิ่งนั้นมันก็ไม่มีจริง เพืนสิ่งที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นของเ ร, เ, เราเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาคือเป็นผู้รู้จริงๆที่เป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เรียก ว, ว่าเป็นพุท ธ, ธโดยสมบูรณ์นั้นก็จะมองเห็นว่าที่จริงไม่มีทั้งเราทั้งเขาเมื่อไม่มีทั้งเราทั้งเขาไอสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรากับเขาก็กไม่มีหรือไม่มีทั้งทั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราและเกี่ยวเนื่องกับเขา เป็นความรู้เข็นอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นในการทําใจให้ยอมรับความจริงพอพอพอแกก็คือแกพอเจ็บก็คือเจ็บพอตายก็คือตายพอพลาดพราดก็คือพลาดพลาดจะต้องยอมรับในจุดเหล่านั้นเป็นคราวที่ต้องวางก็วางคราวที่อุ้มก็อุ้มแต่อุ้มอย่างระมัดระวังคืออุ้มก็พร้อมที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องจากเราไปในวันหนึ่ง จะไม่อยู่กับเราตลอดไปทำนองอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับของดื้ของยืมซึ่งสงใชยมากเพราะว่าเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดมากแต่ของยืมนั้นก็ไม่ใช่ของเรามาแต่ต้นแต่เราก็ยืมเข้ามาใช้เพบนช่วงที่ยังอยู่ในครอบครองเราก็พยายามใช้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด่านี่จะมากได้ทุกเวลานาทีที่ยึดครองและใช้สอยสิ่งเหล่านั้นอยู่นั้น เจ้าของก็จะต้องมาทวงคืนแน่นอนหรือเราจะต้องคืนเข้าไปในที่สุดล้วก็สามารถที่จะมองในส่วนต่างๆของร่างกายได้ว่าส่วนต่างๆของร่างกายที่จริงก็เป็นของยืมเหมือนกันก็มีเจ้าของก็มาทวงคืนอยู่เรื่อยๆผมซึ่งเมื่อก่อนมันก็เริ่มมาจากมีนิดหน่อยแล้วก็มีขึ้นไปแล้วก็ดำในที่สุดก็เริ่มขาวปรปลายแล้วก็ขาวกันไปโดยลําดับฟันมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโยกคลอนไปโดยลําดับเพื่อต้องส่งคืนไป คือกว่าจะเอาไปหมดทั้งตัวเราก็ต้องคืนไปเป็นนั้นมากมีของแปลกปลอมเพิ่มขึ้นในชีวิตของคนนั่นก็คือความจริงที่ใครไม่สามารถปฏิเสธได้การเตรียมใจยอมรับความจริงในลักษณะครึ่งหนึ่งคือห้าสิบห้าสิบอย่างนี้ก็จะอยู่ในโลกด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องปินิดพิจารณา อย่างที่ทรงใช้คำว่าปัญญาที่บริหารตนหรือปัญญาคุ้มครองตนเองได้คราวจะยึดก็ยึดอย่างมีสติปัญญาเข้ากำกับแล้วคราวที่มันแตกสลายก็คือแตกสลายคราวที่วางก็คือวางโดยจิตใจไม่ไปโหยหาไม่ไปเรียกร้องให้สิ่งที่แตกแล้วกลับคืนมาให้สิ่งให้คนที่ตายไปแล้วกลับคืนมาให้ของที่สูญหายไปแล้วอย่างแท้จริงกลับคืนมา ติด ใ, ใจของบุคคลก็จะอยู่ด้วยปัจจุบันมากกว่าที่จะเพ้อขวัญเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับอดีตและไขว่ค้อาอนาคตผลประโยชน์จากการนารงชีวิตในแต่ละขณะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีของบุคคลก็จะเพิ่มพูนสาระแก่นสารที่ตนได้ในช้ปัญญาพิจารณาเลือกเฟน้นเพิ่มพูนขึ้นภายในชีวิตของตนสาระแห่งชีวิตก็จะเพิ่มพูนขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้น ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป